วันนี้เป็นวันเสาร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ไฝ่ ร, รมได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำภารกิจ ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้กระทำกันนั่นคือภารกิจทางด้านจิตใจทางด้านการบำรุงความสุขบำบัดความทุกข์ให้แก่จิตใจตลอดระยะเวลาห้าวันที่ผ่านมาคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ท่านก็ต้องไปทำธุระทำมาหากินเพื่อหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายเพราะร่างกายนี้ขาดปัจจัยสี่ไม่ได้ร่างกายจำเป็นที่จะต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรค นการที่จะมีปัจจัยสี่ได้ครบสมบูรณ์ก็จำเป็นที่จะต้องมีเงินทองเอาไว้ซื้อเอาไว้ใช้ใจ่ายกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆเวลาส่วนใหญ่ก็เลยหมดไปกับการเลี้ยงดูร่างกายแต่ก็ยังมีเวลาว่างอยู่ สองวันด้วยกันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำงานไปหาเงินหาทองเป็นวันที่เราควรที่จะเอาเวลานี้มาดูแลจิตใจ ให้จิตใจนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่มีสุขมีทุกข์เหมือนกับร่างกายถ้าจิตใจไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์ ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ดังนั้นในวันหยุดการทํางานทำมาหากินก็ควรที่จะมาทํางานทางด้านจิตใจกันมาหาความสุขให้กับจิตใจมาหาวิธีคอยกําจัดและป้องกันความทุกข์ของจิตใจกัน เพราะผู้ตามความจริงแล้วจิตใจนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องถึงวันสิ้นสุดลงแต่จิตใจนี้เป็นของที่ไม่มีวันตาย จากนั้นความจริงแล้วเราควรที่จะให้เวลากับการดูแลจิตใจของเราให้มากยิ่งกว่าการดูแลของร่างกายเพราะร่างกายของเราไม่ว่าเราจะดูแลให้ดีมากมายขนาดไหนก็ตามในที่สุด มันก็จะต้องพบกับจุดจบของมันมันก็จะต้องตายแล้วมันก็จะหมดความหมายไปหมดความสำคัญไปและสิ่งต่างๆที่หามาไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายมันก็หมดความสำคัญไปด้วยเพราะมันไม่สามารถที่จะเอามาทำประโยชน์ ให้แก่จิตใจได้เลยจะทำได้ก็บางส่วนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เอามาเลี้ยงชีพนี้ถ้ามีส่วนเกินถ้าเก็บเอาไว้เฉยๆ เวลาตายไปทรัพย์สมบัติส่วนเกินนี้ก็ไม่มีประโยชน์กับใครไม่มีประโยชน์กับเจ้าของคือคนที่หาเงินหาทองมาเพราะเวลาร่างกายตายไปร่างกายก็ไม่สามารถใช้เงินทองใช้ทรัพย์สมบัติที่หามาได้ที่ที่มีเกินที่มีเหลืออยู่ แต่ถ้าเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้แต่อาจจะไม่รู้กันว่าจิตใจนี้จะได้รับประโยชน์อย่างไรก็เลยไม่ค่อยมีความที่อยากจะเอาเงินทองที่มี เหลือกินเหลือใช้นี้เอาไปสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจยกเว้นว่าถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจเรื่องราวของการสร้างความสุขให้กกบจิตใจเรื่องราวของการกําจัดความทุกข์ให้แก่จิตใจ ก็จะได้รู้จักว่าเงินทองส่วนเกินที่เหลือจากการเอามาเลี้ยงดูร่างกายนี้สามารถนำเอามาทำคุณทำประโยชน์ให้กับจิตใจของตนเองได้แล้วก็จะทำให้จิตใจของตนนั้น มีความสุขมากขึ้นมีความทุกน้อยลงถ้าไม่เอามาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับใครร่างกายก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะมันมันมากเกินกว่าที่ร่างกายจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ใจก็ไม่ได้รับถ้าไม่ได้เอามาใช้กับจิตใจ เก็บเอาไว้เฉยๆเวลาร่างกายตายไปเงินก้อนนั้นเลยไม่เกิดประโยชน์กับเจ้าของพราะร่างกายที่เป็นเจ้าของเงินทองนั้นตายไปและใจที่มาร่วมเป็นเจ้าของกับร่างกายเป็นเจ้าของกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ก็ไม่ได้รับประโยชน์เช่นกันถึงแม้จะเขียนพินัยกรรมมาไว้ก็ตายเช่นเขียนพินัยกรรมว่าเวลาตายจะมอบเงินนี้ให้กับคนนั่นคนนี้ไปอันนี้ใจจะไม่ได้รับประโยชน์เพราะยังไม่ได้ทําเขียนไว้เฉยๆเป็นเจตนาการมีเจตนานี้ยังไม่สมบูรณ์ ผลที่จะเกิดจากการให้การสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่นี้ไปยังไม่เกิดเป็นเพียงการแสดงเจตนาลมเท่านั้นเองแต่ทรัพย์ก็ยังเป็นของของผู้ที่เขียนที่ในกรรมเอาไว้ยังไม่ได้ให้ใครและพอถึงเวลาที่ตายไป คนที่เขียนพินัยกรรมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเงินที่ที่ที่จะสละในพินัยกรรมให้กับผู้อื่นไปแล้วเพราะว่าเมื่อไม่มีร่างกายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่ได้เป็นของร่างกายอนนั้นอีกต่อไปตามหลักของกฎหมายและตามหลักของความเป็นจริง มันก็จะกลายเป็นของคนที่อยู่ต่อไปเช่นทายาตลูกภรรยานี้ลูกหลานอะไรบุคคลต่างๆแล้วแต่กฎหมายจะมีการกำหนดไว้แต่คนที่เขียนพินัยกรรมนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการเสียสละทรัพย์นั้นไป ถ้าอยากจะได้รับประโยชน์คือทางด้านจิตใจของตนจำเป็นที่จะต้องบริจาค ก, ก่อนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นตอนที่เขียนพี่นอยกรรมเขียนเสร็จก็นํำออาไปมอบให้กับผู้ที่เราเขียนไว้ในพี่นัยกรรมเลยเช่นว่าจะมอบทรัพย์สมบัติส่วนนี้ให้กับคนนั้นให้กับคนนี้ จะเป็นใครก็ได้จะเป็นลูกหลานก็ได้ญาติก็ได้เพื่อนก็ได้พ่อแม่ก็ได้หรือองค์กรต่างๆองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นศาสนาพระพุทธศาสนาก็ได้ถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าเราเห็นคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเราก็อยากจะส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่ คูกับโอกนี้ไฟนานๆเราก็สามารถที่จะเอาเงินส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้นี้ไปบริจาคให้กับวัดวารามต่างๆก็ได้หรือถ้าเราเห็นว่าการแพทย์การพยาบาล น, นี้เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์เราก็นําเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆก็ได้ หรือถ้าเราเห็นว่าการศึกษาการเรียนเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมเราก็นำอาไปบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆหรือตั้งเป็นกองทุนให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ที่เรียนดีและยากจนก็ได้แต่เราต้องทำก่อนที่เราตาย ใจของเราถึงจะได้รับประโยชน์เพราะใจเราจะได้มีความรู้สึกเวลาเราเบอร์จากเราเสียสละอะไรไปให้กับใครนี้ใจเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาบา<ม>งทีก็เกิดความปิติ<ม>เกิดถึงกับน้ำตาไหลก็มีมอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจ แต่ถ้ารอให้ตายไปแล้วค่อยบริจาคนี้ใจไม่รู้เรื่องแล้วใจไม่ได้อยู่กับร่างกายอันนี้แล้วใจไม่รู้ว่าเงินที่เหลืออยู่นี้ที่เป็นของเรานี้ได้บริจาคให้ใครไปหรือไม่อย่างไรเป็นของใครใครได้รับประโยชน์อะไรหรือไม่เราไม่รู้เมื่อใจเราไม่รู้ใจเราก็เลยไม่รู้สึกอะไร ก็เหมือนกับไม่ได้ให้อะไรไปนั้นถ้าอยากที่จะสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับจิตใจสร้างความสุขให้กับจิตใจและบำบัดความทุกข์ทางด้านจิตใจก็ควรที่จะบริจากทรัพย์สมบัติเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้ไป ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจดีกว่าที่เราจะเก็บเงินเอาไว้เฉยๆแทนที่จะมีความสุขใจจากการเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ใจของเรากลับจะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาก็ได้เพราะเงินทองที่เรามีอยู่นี้เราก็ต้องนำมาไปฝากธนาคาร หรือเอาไปลงทุนกับกิจกรรมทางทางการตลาดต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนก็อาจจะมีการกำไรก็ได้อาจจะมีการขาดทุนก็ได้เงินฝากในธนาคารก็ก็ไม่แน่ว่าเงินว่าธนาคารจะมั่นคงหรือไม่วันดีคืนดี การบริหารกิจการทางธนาคารอาจจะล้มเหลวก็ได้เช่น mm hmm. เราคงจะได้ยินข่าวในช่วงนี้ว่ามีธนาคารบางธนาคารนั้นขาดสภาพคล่องขึ้นมา mm hmm. ไม่สามารถที่จะมีเงินจ่ายให้กับคนฝากที่ไปเบิกได้ mm hmm. อันนี้การมีมีเงินไปฝากไว้ในสถาบันการเงินต่างๆก็ จะแทนที่จะให้ความสุขกับใจกับกายเป็นให้ความกังวลกับใจและก็อาจจะเกิดความทุกข์กับใจถ้าเกิดสูญเสียมันไปการสูญเสียนี่แปลกนะมันสูญเสียแต่อาจจะมีผลต่างกันว่าสูญเสียอย่างไรถ้าสูญเสียอย่างพอเยอะอย่างยินดีก็จะเกิดความสุข ถ้าเกิดสูญเสียด้วยความไม่ยินดีก็จะก็จะเกิดความทุกข์เ mm hmm. ช่นเงินก้อนเดียวกันนี้ถ้าเรายินดีที่นำเอาไปบริจาคไปทำบุญกับใครก็ได้เ mm hmm. วลาสูญเสียเงินก้อนนี้ไปเราแทนที่จะเสียใจทุกข์ใจเราเกิดความสบายใจขึ้นมาเ mm hmm. บาใจซะด้วยซ้ำไป โล่ง อ, อกไป เ, เงินก้อนนี้หมดไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับมันไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงกับมันแต่ถ้าเราสูญเสียเงินก้อนเดียวไปโดยที่เราไม่ยินดีเราอยากจะเก็บเอาไว้<ม>เราอยังนักอยังห่วงเงินทองก้อนนี้อยู่พอเกิดมีเหตุการณ์เช่นธนาคารเกิดธนาคารล้มลงล้มละลายลงไป เงินก็นั้นก็สูญหายไปตอนนั้นก็จะเกิดความเสียใจทุกใจขึ้นดงั้นเงินทางนี้เป็นของที่แปลกเหมือนกับมีดมีดนี้ก็เป็นมีทั้งคุณมีทั้งประโยชน์ถ้ารู้จักใช้มีดก็สามารถนำเอาไปทำประโยชน์ได้เอาไปหั่นผักหั่นเนื้อหนนั่นของอะไรต่างๆ เพื่อที่จะมาทาประโยชน์ได้แต่ถ้าไม่รู้จักใช้มีดก็อาจจะมาทำร้ายตัวเองก็ได้บางคนเวลาเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาโกรธขึ้นมาเสียใจขึ้นมาก็อาเอามีดนี้ไปทำร้ายตนเองหรือทำร้ายผู้อื่นก็ได้แล้วก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและกับตนเอง เงินทองก็เช่นเดียวกันเงินทองนี้ก็เป็นเหมือนมีด ท, ที่เราจะต้องรู้จักใช้มันเงินทองนี้มีประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจทางด้านร่างกายก็คือให้เราได้มีปัจจัยสี่ของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเราต้องมีอาหารไว้รับประทานมีเครื่องนึ่งห่ม มีที่อยู่าศัยมียารักษาโรคและการใช้เงินเพื่อดำรงชีพนี้ก็ก็ต้องมีประมาณถึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่คือไม่ได้อยู่ที่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นของแพงๆเป็นของหรูหราเพราะว่า ปัจจัยสีนี้เขามีหน้าที่ของเขาเช่อนอาหารก็มีหน้าที่เลี้ยงดูให้ร่างกายมีความอิ่มดับความทุกข์ที่เกิดจากความหิวแล้วก็รักษาให้ร่างกายอยู่อย่างปราศจากโรคภัยต่างๆเรื่มนุ่งห่มก็มีไว้ปกปิดร่างกาย แล้วก็ที่อยู่อาศัยก็มีไว้สำหรับหลบแดดหลบภัยต่างๆยารักษาโรค ก, ก็มีไว้เพื่อรักษาเวลาที่มีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นเกิดขึ้นกับร่างกายซึ่งปัจจัยสี่นี้ไม่ว่าจะเป็นของแพงหรือของถูกของหรูหราหรือของเรียบง่ายมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันถ้าเราเอาไป ต้องใช้เป็นของแพงของหรูหรามันก็จะสิ้นเปลือเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์คือได้ผลเท่ากันใช้ซื้อของไม่แพงไม่หรูหราของที่เรียบง่ายแต่ทาหน้าที่ได้เหมือนกันเท่ากันเช่นอาหารจะรับประทานมื้อละร้อยกับมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกัน ดับความหิวได้เหมือนกันเสื้อผ้าตัวละสองสามร้อยกับเสื้อผ้าตัวละพันสองพันมันก็ทำหน้าที่ของเสื้อผ้าได้เท่ากันยังไม่จาเป็นที่จาเป็นจะต้องใช้เงินทองมากเกินต่อความจำเป็นในการเลี้ยงดูร่างกายเพราะถ้าเราใช้มากมันก็จะต้องทำให้เราต้องหาเงินมาก แล้วการหาเงินมากก็เป็นการไปสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพราะใจนี้เป็นผู้ต้องไปหาเงินมาให้ร่างกายใช้ถึงแม้ว่าจะมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ตัวร่างกายนี้เขาไม่มีความรู้สึกอะไรเขาไม่รู้สึกสุขทุกข์จากการที่จะต้องไปหาเงินหาทองแต่ผู้ที่จะต้องไปหาเงินหาทองนี่คือใจเนี่ยจะมีความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมา จากการไปหาเงินถ้าอยู่ในช่วงจังหวะที่หาหาได้ง่ายมันก็มันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไปอยู่ในช่วงจังหวะที่หาได้ยากมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ถ้าใช้น้อยก็ไม่ต้องหามากความทุกข์จากการหาเงินก็ไม่มากแล้วมีเงินมากเกินไปก็อย่างที่พูดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกาย ถ้าจะให้มีประโยชน์กับจิตใจก็ต้องเอาเงินที่มีส่วนเกินนี้ไปบริจาคอยู่ดีดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงทรงสอนในเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายของเรานี้ขอให้เราใช้หลักมากน้อยสันโดษเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดทั้งกับร่างกายและจิตใจมากน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็น เอาท่าที่ร่างกายต้องการแล้วก็สันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดเพราะบางเวลาเราอาจจะไม่สามารถหาได้ตามที่เราต้องการก็ได้ถ้าเราหาไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจก็ได้แต่ถ้าเรามีสันโดษคือมีความยินดีตามมีตามเกิด ได้ไม่เท่าที่เราต้องการจะได้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังถือว่ายังดีกว่าไม่ได้ให้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็ใช้กินไปตามมีตามเกิดไปก็ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายก็ยังอยู่ได้ถึงเม่้ จ, จะอยู่แบบอัตคัดขัดสนบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้ต้องเป็นอะไรไปหรือว่าถ้ามัน จะเป็นอะไรไปมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องของร่างกายนั่นแหละเพราะไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็จะต้องมีอันเป็นไปอยู่ดีไม่ว่าเราจะเลี้ยงดูมันด้วยความสมบูรณ์ตลอดเวลาหรือไม่ก็ตามร่างกายมันก็ต้องมีอันเป็นไปของมันมันก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วมันก็ต้องในที่สุดมันก็ต้องไปถึงแต่ความตายเหมือนกันแต่การที่เราเลี้ยงดูร่างกายด้วยหลักมักน้อยสันโดษนี้เราจะไปลดภาระลดความกดดันทางด้านจิตใจลดการสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจจิตใจของคนที่มักน้อยสันโดษนี่จะมีความทุกข์น้อยกว่าคนที่มากมาก คนที่ยินดีมากต้องการมากๆคนที่ไม่สันโดษเพราะคนที่ไม่สันโดษคนที่ไม่มักน้อยนี้จะต้องดิ้นรนมากกว่าดิ้นรนหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายนั่นเองดังนั้นทางด้านทางศาสนาคือทางพระพุทธเจ้านี้ทรงเห็นว่า การเลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่ควรที่จะเลี้ยงให้มันดีจนเกินไปเพราะผลที่ได้มันไม่ได้ดีดีตามกับการเลี้ยงดูเลี้ยงดูดีอย่างไรหรือเลี้ยงดูแบบไม่ดีมันก็อยู่ได้แล้วเมื่อถึงเวลามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือ น, นกันแปล ว, ว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีเลี้ยงดูอย่างมหาเศรษฐีร่างกายของคน ที่เป็นมหาเศรษฐีมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีเหมือนกันเลียงดูแบบขอทานมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันร่างกายมันก็อยู่ได้เหมือนกันงั้นแต่การการกดดันทางด้านจิตใจมันจะต่างกันพวกขอทานนี้เขาไม่ค่อยมีความกดดันเขาไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เขาอยู่ยินดีตามมีตามเกิด อันนี้ขอทานได้กี่เท่าไรก็ใช้มันไปเท่าที่ได้มาไปที่อยู่อาศัยก็มีที่ไหนอยู่ก็ห ล, ลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ไปอยู่ใต้สะพานอยู่ที่ร้างที่อะไรไปถ้าไม่มีปัญญาที่จะไปหาที่อยู่อาศัยร่างกายมันก็ยังอยู่ได้เหมือนกันคือสรุปแล้วก็คือร่างกายของเรานี้ไม่ว่าเราจะเลี้ยงดูมันแบบพิสดาร รเรื่องเลี้ยงดูมันแบบธรรมดามันก็อยู่ของมันไปตามเรื่องของมันมันก็ไม่หนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้เหมือนกันเลี้ยงดูแบบพิสดารก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเลี้ยงแบบไม่พิสดารมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่ทางจิตใจนี่มันต่างกันจิตใจนี้ของคนที่ เลี้ยงดูแบบไม่พิสดานี้จะสบายใจกว่าจะไม่ต้องคอยดิดนน้นรนคอยหาของต่างๆมาบำรงบำเลงมาเลี้ยงดูร่างกายเหมือนกับคนที่เลี้ยงดูแบบพิสดานะอันนี้มันจะมีผลกระทบต่อจิตใจในเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราจะไม่รู้ว่า บางทีเนี่ยเราเลี้ยงดูร่างกายดีจนเกินไปแต่มันกลับไปมีผลกระทบทางด้านจิตใจที่ไม่ดีมันไปสร้างภาวะความทุกข์ทางด้านจิตใจความวิตกกังวลต่างๆให้กับทางด้านจิตใจเพราะว่าจิตใจจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องคอยหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาสนับสนุนในการเลี้ยงดูร่างกายนี่ง แในทางศาสนานี้พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าสำหรับการเลี้ยงดูร่างกายนี้ขอให้เราใช้หมักหลักมากน้อยสันโดษก็พอคือเลี้ยงมีแบบเท่าที่จำเป็นอย่าไปให้ใช้ของแพงๆของหรูหราเพราะประโยชน์ที่ได้รับมันเหมือนกัน อย่างที่พูดอาหารมื้อละร้อยกับมื้ออาหารมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าชุดละพันสองพันกับร้อยสองร้อยมันก็เป็นเสื้อผ้าไว้ใสสวมใส่ทําหน้าที่ของมันได้เหมือนกันบ้านเช่าเดือนละสองสามพันกับบ้านซื้อเดือนละบ้านซื้อหลังละสองสามล้านมันก็เป็นบ้านไว้หลบแดดหลบฝนได้เท่ากันมันไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเราเลี้ยงดูร่างกายแบบ แบบรู้หลาแบบดีแล้วร่างกายเราจะอยู่ไปไม่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายถ้าอย่างนั้นก็น่าจะทุบเทนะถ้าเราเลี้ยงดูร่างกายแบบพรรรริสดารแล้วทำให้ร่างกายเหล่านี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่ต่างกับคนที่เลี้ยงดูแบบไม่พิสดารร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายของมันไปเหมือนกันแต่ใจที่ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายเนี้ย จะสบายกับไม่สบายต่างกันการที่จะต้องเลี้ยงดูด้วยแบบพิสดารมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองมากก็ต้องดิ้นหลนต่อสู้ขวนขวายหาเงินหาทองถ้าเลี้ยงดูแบบไม่พิสดารแบบสบายสบา ย, บายมันก็ไม่ต้องมาดิ้นหลนมากตามมีตามเกิดไปอันนี้จะเป็นการดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจไปพร้อมกันด้วยนะ พอเราต้องคิดถึงจิตใจเราด้วยไม่ใช่จะคิดแต่เพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้นเองบางทีเราโมแต่ไปกังวลไปห่วงร่างกายมากความกังวลความห่วงร่างกายเนี่ยเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นเราต้องไม่กังวลไม่ต้องห่วงกับร่างกายเพราะเราต้องเข้าใจว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แม้ว่าเราจะเลี้ยงดูมันดีอย่างไรขนาดไหนก็ต่างมันก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ฉะนั้นเราอย่าไปห่วงมันให้ให้เป็นความทุกข์กับใจเลยอย่าไปห่วงต้องปล่อยวางต้องรู้จักปล่อยวางร่างกายนี้มันเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้จะไปควบคุมให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ะ แต่ก็มีคนพยายามคนพยายามไม่ให้ร่างกายแก่ด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายไม่ว่าเป็นการทำเสริมความเสริมสวยเสริมความงามทําสัญญงศ์สัญญกรรมอะไรต่างๆมันก็ทําได้แค่ชั่วไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็ต้องเจอความจริงอยู่ดีความจริงของร่างกายอยู่ดี ไม่มีใครหนีพน้นนอกเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายงั้นอย่าไปทุกข์อย่าไปทุกข์ ก, กับการเลี้ยงดูร่างกายแบบนี้เลยไม่ไม่มีประโยชน์เพราะความทุกข์ที่ได้รับทางใจนี้มันหนักหนาสาหัสกว่าความสุขที่ได้จากการดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถาวรไม่เหมือนกับใจในใจเป็นของที่ถาวร ถ้าเราดูแลใจให้สุขได้ใจก็จะสุขไปเรื่อยๆถ้าเราดูแลใจให้ทุกข์ใจก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆพวกเราส่วนใหญ่นี้จะทุกข์ทางใจมากกว่าสุขทางใจกันเพราะเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีดูแลร่างกายของเรานั่นเองเราดูแลร่างกายของเราเกินความเป็นไปได้ เราพยายามที่จะต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายกันการต่อสู้นี่แหละมันก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจ่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เรามารู้จักวิธีเลี้ยงดูร่างกายและเลี้ยงดูจิตใจของเราขั้นต้นก็เลี้ยงดูร่างกายแบบอย่าไปมีผลกระทบกับทางด้านจิตใจ เลี้ยงดูร่างกายแบบให้จิตใจไม่ไ ม, ไม่ทุกข์ให้จิตใจสบายกับการเลี้ยงดูร่างกายการที่ใจจะไม่ทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายก็คือเลี้ยงดูแบบมากน้อยสันโดษร่างกายมันต้องการอะไรก็ให้มันเท่าที่มันต้องการไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของพิสดารเป็นของของหรูหราอะไรทํานองนี้ดูที่หน้าที่ของ ของสิ่งที่มาดูแลร่างกายว่าดูแลตามที่ร่างกายต้องการได้ไหรือเปล่าต้องการตั้งแต่ร่างกายหิวก็ต้องการอาหารก็เอาอาหารมาให้มันรับประทานไปไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอาหารหราคาแพงหรือราคาหรูหราหรือมีวมิเศษอะไรต่างๆกินเข้าไปมันก็พอเข้าไปในท้องแล้วมันก็มันพอมันอิ่มแล้วมันก็หมดปัญหาไปอันนี่คือ การเลี้ยงดูร่างกายและเลี้ยงดูจิตใจที่ที่ที่เป็นผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบกับร่างกายไม่ให้จิตใจจะต้องมาทุกข์กับร่างกายก็คือต้องเลี้ยงดูตามสภาพการมัตภาพของร่างกายพอมีพอกินพออยู่พอใช้ก็อพอแล้วมันจะไม่มีอะไรมาคอยกดดันทางด้านจิตใจ ร่างใจก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายมากจนเกินไปอันนี้คือห้าวันที่ผ่านมาวันเนี่ยวันจันถึงวันวันศุกร์คนส่วนใหญ่ก็ต้องเอาเวลานี้ไปหาเงินหาทองเพื่อเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายกันแต่มักจะมาทุกข์มาเครียดกับการหาเงินหาทองกันเพราะเราไปตั้งเป้าในการเลี้ยงดูร่างกายเราสูงเกินไปนั่นเอง ทุกคนก็อยากมีบ้านมีรถมีอะไรต่างๆแต่บางทีรายได้มันไม่มันไม่พอกับรายจ่าย<ม>ก็ต้องใช้วิธีการผ่อนกันพอผ่อนก็เป็นหนี้พอมีห น, นี้มันก็จะเกิดความกดดันขึ้นมาจะต้องคอยหาเงินทองมาจ่ายหนี้มาผ่อนอยู่เรื่อยๆทุกเดือนก็ต้องคิดแล้วเดือนนี้ เพราะมีค่าผ่อนบ้านมีค่าผ่อนรถหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีขาดไปไม่กี่เดือนเดียวก็เขาก็จะมายึดบ้านยึดรถไปอันนี้เังนั้นเราต้องดูกำลังของเราว่าเรามีกำลังซื้อมากน้อยเพียงไรทางที่ดีอย่าไปผ่อนนะดีที่สุดถ้าซื้อไม่ได้ก็เช่าเขาไปดีกว่าเช่าไปอย่างน้อยก็ เวลาไม่มีเงินเช่าเราก็จะได้ไม่ถูกเขายึดเพราะมันไม่ใช่เป็นบ้านของเราไม่ใช่เป็นของขอ ง, ของเราเราเช่ามาเราก็หยุดเช่านะั้นเรวก็คืนของเช่าไปมันก็จะไม่ค่อยทุกข์ทรมารยบางทีเราต้องรู้จักปรับตัวเองให้อยู่ตามตามฐานะของเราถ้าเราอยู่ตามฐานะของเราเราจะไม่ค่อยเดือดร้อนทางด้านจิตใจแต่ถ้าเราจะอยู่เกินฐานะนี้มันจะทั้ง ความกดดันทางจิตใจทําให้เราบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่ความวิตกมีแต่ความกังวลเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายของเราถ้าเรามีรู้จักหลักมากน้อยสันโดษแล้วนี่มันจะแก้ปัญหาทางด้านการใช้จ่ายเงินทองที่ที่เกินฐานะของเราได้เรามีมากมีน้อยเราก็อยู่ไปตามมีตามเกิดของเราไป เราก็จะไม่ค่อยทุกข์กันมากนี่คือเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายเพื่อที่จะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจต้องเลี้ยงดูไปตามอัตภาพยินดีตามมีตามเกิดแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถสูงหรือมีโชควาสนาทํางานทําการทําธุรกิจแล้วกับ ได้รายได้มากกว่าที่เราต้องการบางคนทำแล้วนกิจการก้าวหน้ารุ่งเรืองมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านขึ้นม า, าทั้งๆที่ไม่มีความคิดในเบื้องต้นว่าจะหาเงินพันร้อยล้านพันล้า น, น, า น, น, านแต่บางท้งบางคราวมันทำไปแล้วมันกิจการมันดีคนต้องการสินค้าหรือต้องการสิ่งที่เราผลิตที่เราขายมันก็เลยทำให้เรามีรายได้มาก การมีรายได้มากก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่อย่างใดเพราะเงินทองนี้มันอย่างที่พูดมันก็เป็นเหมือ น, เ ป, นเป็นเหมือนนียมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเราไปยึดไปติดไปลักไปหวงมันก็จะมาสร้างภาระกดดันทางนั่งจิตใจให้เราต้องมาหวงมากังวลกับเงินทองที่เรามีอยู่ว่ามันจะ อยู่กับเราไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือมันจะมีโอกาสที่จะหมดไปสูญไปก็ได้ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้ใจเรามีความสุขไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองเราก็อย่าไปมีมากเกินกันไปมีไว้พอเลี้ยงดูร่างกายของเราก็พอ ส่วนที่มีเกินส่วนที่มีเหลือลก็นำมาไปทําประโยชน์ให้กับจิตใจของเรา <c oughs> ก็คื อ, อาการการเอาไปทาบุญทาทานนี่การทาบุญทาทานนี้จะทําให้จิตใจของเรานี้มีความสุขใจอิ่มใจแล้วมันจะลดความหิวโหวยของจิตใจในการที่อยากจะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้หรือหาความสุขจาก รูปเสียงกิน่นรสผทธาตุชนิดต่างๆความสุขที่ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราหากันเช่นเราไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆเหล่านีนน้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขชั่วประเดียวประดาวได้ความสุขขณะที่เราไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังกันพอ กลับมาความสุขเหล่านั้นก็จางหายไปแล้วมันก็จะทำให้เกิดความหิวความอยากที่อยากจะไปหาความสุขอย่างนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดของพวกนี้อยากไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เพราะมันจะทำให้เราติดเหมือนคนติดยาเสพติดเ ค, ย, คยกินเคยดื่มเคยเที่ยวเคยดูเคยฟังมันจะติดแล้วมันอยากจะทำไปเรื่อย ถ้าทำไปเรื่อยๆมันก็อาจจะใช้เงินทางหมดก็ได้เวลาเงินทางหมดไม่พอใช้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินก้อนเดียวกันนี้เอาไปทำบุญทำทานเอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนหรือช่วยเหลือสนับสนุนคนที่เขาทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคม เพราะสังคมของเราก็ต้องอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขางานที่จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็คนเราก็ต้องช่วยเหลือกันดูแลกันต้องช่วยเหลือคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนก่าเราไม่มีใครอยากจะทุกข์ยากเดือดร้อนหรอกแต่มันก็เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่เสมอภาคโลกเหล่านี้มีทั้งคนที่ร่ำรวยมีทั้งคนยากจนคนยากจนก็เดือดร้อน คนที่มั่งมีก็ควรจะแบ่งช่วยเหลือกันเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนเพราะถ้าเขาไม่ได้รับการบรรเทาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเพราะเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะกําจัดความทุกข์ยากเดือดร้อนเขาก็า จ, จะมาะรักทรัพย์ของเรามาทำอะไรทําร้ายเราก็ได้เพรางั้นเราก็ต้องคํานึงถึงถึงการอยู่ร่วมกัน อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องมีการช่วยเหลือกันไปตามฐานะนี้คือที่มาของการที่เราทำไมควรจะทำบุญทำทานอีกอย่างหนึ่งก็เมื่อได้ทำบุญทำทานแล้วมันจะทำให้เราเกิดในความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะความสุขใจอิ่มใจนี้มันไม่ได้สูญสลายไปแบบความสุขที่เราได้จากการที่เราไป ไปใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆความสุขใจอินใจนี้มันจะฝังอยู่ในใจต่อไปและจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจของเรานี้ไปสู่สุขคติต่อไปด้วยเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วนี้ใจเราที่ไม่ได้ตายไปออกับร่างกายนี้มันก็จะมีที่ไป ตามสถานภาพของใจถ้าใจมีความสุขใจอิ่มใจมันก็จะไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าใจมีความหิวโหวยมีความวุ่นวายใจก็จะไปอบายหิวโหวยวุ่นวายก็เพราะว่าเรื่องกังวลกับเรื่องเงินทองก็ดีหรือหิวโหวยเพราะเงินทองไม่พอใช้ก็ดีเพราะใช้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอสักที ถ้าเอาเงินไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดัยงนั้นถ้าเรามีเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้นี่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าอย่าเอาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปใช้กับของฟุ่มเฟือยของหรูหราอะไรต่างๆมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจมันกลับเป็นโทษกับจิตใจเพราะทําให้จิตใจหิวโหวย มีความอยากซื้อของใหม่ๆอยู่เรื่อยมีความอยากจะไปเที่ยวอยู่เรื่อยอยากจะไปดูไปกินไปฟังอยู่เรื่อยเที่ยวเท่าไหร่ดูฟังเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้านำอาไปทำบุญทำทานนี้ใจจะอิ่มใจจะไม่หิวใจจะอยู่เฉยๆมีความสุขได้อยู่บ้านไม่ต้องดิ้นรนไปคอยหาซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปดูไปฟังอะไรต่างๆ แล้วความอิ่มใจสุขใจนี่แหละที่จะเป็นตัวที่พาให้ไปสู่สุกติต่อไปพอเราเวลาตายเรามักจะพูดกันว่าขอให้ไปสู่สุกติการที่เราขอนี่มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะพาให้เขาไปเขาจะไปสู่สุกติได้ก็อยู่ที่ใจของเขาว่ามีความอิ่มมีความสุขหรือเปล่าหรือมีความหิวมีความวุ่นวายใจหรือเปล่า อยู่ที่ตัวเขาเราไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นไปสุขติหรือทุกขติได้แต่เราสามารถส่งใจของเรานี้ให้ไปสู่สุขติไปสู่ทุกขติได้เราต้องคำนึงว่าชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้มันไม่ได้อยู่ไปตลอดร่างกายของเรานี้ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินร้อยปีพอรยร้อยปีแล้วใจกับร่างกายก็ต้องแยกทางกัน ร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไปต่อใจนี้เป็นดวงวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้คิดที่จะต้องเดินทางต่อไปใจนี้จะไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆหรือจะไปสู่อบายคือทุกขคติชั้นต่างๆ ก็อยู่ที่การเราดูแลใจในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้ถ้าเราทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆใจเราจะมีความสุขใจอิ่มใจเวลาไปก็จะไปสู่สุคติถ้าเราไม่ทําบุญทําทานมีแต่ความหิวความอยากความต้องการอยากได้นูน่นอยากได้นี่มีแต่ความหวงความห่วง เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่เรามีอยู่นี่เวลาตายไปใจเราจะไปสู่ทุกขติกันพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามารู้จักการทาบุญทาทานกันเพราะว่าใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและใจของเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะมารับผลจากการทาบุญทาทานของเราหรือจากการที่เรา ไปแสวงหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้งนั้นขอให้เรารู้จักวิธีที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มอย่าไปหาความสุขแบบที่ทำให้ใจของเราไม่สุขไม่อิ่มมีแต่มีแต่ความหิวมีแต่ความอยากความต้องการได้เท่าไหร่ไม่รู้จักพอ อันนี้มันจะเป็นโทษกับจิตใจต่อไปทั้งณนขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปใจของเรานี้ไม่มีวันตายใจของเรานี้มีทางไปอยู่สองทางคือไปสูงหรือไปต่ําไปสูงก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปไปต่ําก็จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็ถ้าไปสูงถึงขั้นสูงสุด ใจของเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกนันอีกต่อไปใจของเรานี่ยังมีที่จะต้องไปอีกไกลแต่ร่างกายของเรานี่มันมันมีวัดมีเมนรอเราอยู่มีสามีสาลาวัดรอเราอยู่กันทุกคนไม่เกิ น, ไ ม, กนไม่เกินร้อยปีร่างกายนี้มันก็จะต้องไปสู่สถานชาปนากิจกันแต่ใจนี่มัน มันไปต่อมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีมันไม่ได้หยุดที่ความสิ้นสุดของร่างกายจะไปดีแล้วไม่ไปดีจะไปสุขหรือจะไปทุกข์นี้ก็อยู่กับการกระทําของเราที่เรากำลังทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้พระเจ้าจึงทรงสอนว่าให้เรามันทาทานกันเพื่อที่เราจะได้ไปดีแล้วมันรักษาสิงกันก็ อ, อย่าไปทําบาป เพราะการทำบาปนี้จะดึงให้ใจเราไปอบายท่นเองไปไม่ดีเพราะผู้ใจของผู้กระทำบาปนี้จะมีความรู้สึกทุกข์ใจเวลาเราทำบาปแล้วเราจะไม่สบายใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้มันจะฝังไปในใจของเราเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่ไม่สบายก็จะต้องไปทุกขติไปสู่อบาย แต <recent> ่ถ้าเราไม่ทำบาปใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจใจของเราก็จะเ ย, ย็นจะสบายถ้าเรามีความสุขจากการทำบุญทำทานใจของเราก็จะไปสวรรค์แล้วนอกจากการไปสวรรค์แล้วยังสามารถไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ น, นี้ก็มีทั้งระดับเทพระดับพรหมและระดับพระอริยเจ้า ที่ใจสามารถที่จะไต่เต้าขึ้นไปได้ถ้าเรารู้จักวิธีทำให้ใจขึ้นสูงวิธีที่จะทำให้ใจขึ้นสูงกว่าสวรรค์ที่เกิดจากการทาบุญทำทานก็คือสวรรค์ที่เกิดจากการฝึกใจทำใจให้สงบนั่นเองที่เรียกว่าการฝึกสมาธิ การนั่งสมาธิการทำใจให้สงบนี้จะทำให้ใจมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานการทำบุญทำทานก็มีความสุขแต่ยังมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานก็คือการที่เราจะไปทำใจให้สงบนั่นเองแต่การที่จะทำใจให้สงบได้ เราก็จำเป็นที่จะต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนเพราะถ้าเราไม่มีศีลนีเราจะไม่มีกำลังจะไม่มีเวลาที่จะไปทำใจให้สงบได้ศีลของผู้ที่จะต้องการไปสู่สวรรค์ชั้นพรมก็คือจะต้องถือศีลแปดขึ้นไปไม่ใช่ศีลห้าศีลห้านี้สำหรับผู้ที่ต้องการไปสวรรค์ชั้นเทพ คือสี่ห้านี้เป็นการป้องกันไม่ให้ใจเราตกต่ําไม่ให้ไปเกิดในอบายถ้าเรารักษาศี่ห้าได้เช่นเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่นสรายาเมานี้ใจของเราจะไม่ไปสู่ทุกขติใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจแล้วถ้าเราทําบุญทําทาน ก็จะทำให้ใจเรามีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาสีห้ากับการทำบุญทำทานก็จะสนับสนุนให้ใจของเราไปสู่สวรรค์ชั้นเทพ <c oughs> แต่ถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องมีการปฏิบัติที่มากกว่านี้คือจากศีห้าเราก็ต้องเพิ่มเป็นสีแปด เพาการที่เราจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมไปสู่ความสงบทางด้านจิตใจได้เราต้องยุติการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย น, นั่นเองเราต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปหาความสุขจากการดูการฟังการกินการดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลาเอามาให้กับการมา ควบคุมใจให้สงบให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จาเป็นที่จะต้องมีการรักษาสินแปดสินแป8ก็เพิ่มขึ้นอีกสามข้อจากสินห้าแล้วก็เปลี่ยนสินข้อที่สามที่กาเมเณรให้มันเป็นอั ร, รมจริยากามเมในสินห้านี้ยังอนุญาตให้เราหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้ แต่ถ้าเราอยากจะหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราก็ต้องลั ง, งับการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนก็เลยต้องเปลี่ยนข้อาการเมนะเป็นอบ ร, รัมจริยาก็เรียกว่าการถือศีลพรัมจ ร, รสีนพรัมจ ร, รก็คือผู้ที่ไม่ร่วมหลับนอนกับใครนั่นเองเช่นศรัทธาญาติโยมที่มาอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวนี้ก็ต้องมาถือศีลแปดกันเพราะว่า ต้องการที่จะมาหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบถ้าไม่ถือศีลแปดก็ยังมีเวลาที่จะไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้แล้วก็ศีลข้อหกก็ไม่ให้เรารับประทานอาหารมากจนเกินไปเพราะร่างกายไม่จำเป็นจะต้องรับประทานวันละสี่ห้ามือม้อสามสี่มื้อ รับประทานแค่วันละมื้อสองมื้อก็อยู่ได้แล้วก็ให้รับประทานไม่เกินหลังเที่ยงวันไปแล้วเพราะถ้ารับประทานอาหารมากมันก็จะบางเป็นอุปสรรคต่อการมาฝึกสมาธิเวลานั่งสมาธิถ้ากินอาหารอีกมานั่งสมาธิมันก็จะนั่งหลับแทนที่แทนที่จะเข้าสมาธิมันก็จะหลับไปนั่งแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลถ้ารับประทานไม่มากพอหลังจากเที่ยงวันไปไม่ไม่นาน ท้องมันก็จะว่างมันก็จะไม่ง่วงเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่สับประกใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คือสีลข้อหกคือไม่โรไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันสีลข้อเจ็ก็คือไม่ให้เราไปเสียเวลากับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกจากเรื่องบันเทิงต่างๆการร้งงงงองลัมทำเพลงมหรสพ การไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปงานต่างๆงานเลื่อนเริ่มต่างๆเหล่านี้เราต้องตัดไปพร้อมกับการที่เราต้องเสียเวลากับการมาเสริมสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทาผมอะไรต่างๆเราก็จะได้มีเวลาที่จะ เ, เวลาเหล่านี้มาให้กับการปฏิบัติมาทำใจให้สงบ หลศีลข้อ8ก็คือไม่ให้เรานอนมากเกินจนเกินไปเวลาวิธีไม่ให้นอนมากก็คืออย่าไปนอนบนเตียงที่มันสบายเตียงที่สำรานี่นอนแล้วอยากจะนอนไปนานๆให้มานอนเตียงที่มันไม่สบายคือนอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆนี่อนอนกับพื้นเวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วเวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย แต่ถ้าเรานอนบนฟูกเหนืน้ า, นาบนเตียงที่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตอื่นขึ้นมาก็ยังไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่ออีกก็จะทําให้เสียเวลากับการปฏิบัติไปเพราะการที่จะทําใจของเราให้มีความสุขมีความสงบที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันต้องใช้เวลามากคือเราต้องควบคุมใจใจของเรานี้มันคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืน เป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบก็คือหยุดความคิดนี้เองเรื่องการที่จะหยุดความคิดได้นี้มันต้องคอยทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดพอคิดแล้วมันก็จะคิดไปเรื่อยๆเหมือนกับรถพอรถมันไหลลงเขาแล้วมันจะมันก็จะไหลองมันไปเรื่อยๆถ้าจะหยุดให้รถลงเขาหยุดได้ก็ต้องเหยียบเบรกเท่านั้นใจของเราก็เป็นเหมือน ความคิดของเรานี่ก็เหมือนเหมือนรถร ถ, รถลงเขาเนี่ยพ อ, อตื่นขึ้นมาแต่เช้ามันก็คิดเลยเนี่ยคิดมาทั้งวันทั้งตลอดมันจะถึงเดี๋ยวนี้แล้วจะคิดต่อไปจนถึงเวลาหลับเนี่ยมันไม่มีเวลาที่มันจะหยุดคิดตอนที่หลับมันก็อาจจะพักมันอาจจะหยุดสักหน่อยเพราะมันเหนื่อยมันคิดมาทั้งวันทั้งคืนร่างกายก็เหนื่อยใจก็เหนื่อยเวลาหลับก็เลยอาจจะหยุดคิด แต่บางทีก็ไม่หยุดคิดบางทีก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความฝันต่างๆความฝันต่างๆนี่ก็เป็นความคิดของเรานี่แหละคิดขึ้นมา น, นี่ปัญหาของพวกเราคือความคิดของเราเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเป็นตัวที่จะทำให้เราไม่ได้พบกับความสุขที่ที่ดีที่ประเสริฐกว่าความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทาน หรือจากการที่เราไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรเั้นการที่จะทำให้ใจนี้มีความสุขได้มีความสงบได้มีความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานนี้เราต้องใช้เวลามากถึงต้องไปอยู่วัดกันไปอยู่วัดแล้วก็ไม่มีภารกิจการงานไม่เกี่ยวข้องกับใครเช่นวันหยุดนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมก็มาอยู่วัดกัน แล้วก็มาทุ่มเทเวลาให้กับการมาควบคุมความคิดหยุดความคิดให้เอาเริ่มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็คอยคุบหยุดความคิดวิธีจะหยุดความคิดได้ก็ต้องให้ใจมีอะไรคิดที่ไม่เป็นความคิดจะนด้คิดอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างนี้พอลืมตาขึ้นมาก่อนที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรก็พุทโธไปเลยพอพุทโธไปพุทโธแล้วก็ทาพุทโธไปกรรม ควบคู่ไปกับการที่เราต้องทำเช่นต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวและประทานอาหารเนื้ออะไรอย่าปล่อยให้ใจคิดให้คิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าเราควบคุมให้อยู่กับพุทโธได้นี้เดี๋ยวใจก็จะนิง่งใจจะสงบเวลาเรามานั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งสมาธินี้ใจถ้ามีควบคุมด้วยพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆใจมันก็จะไม่คิดเรื่องอะไร พอไม่คิดเรื่องอะไรสักพักหนึ่งมันก็นิ่งสงบไปพุทโธก็หยุดไปได้พุทโธมีไว้เพื่อหยุดความคิดเมื่อไม่มีความคิดแล้วพุทโธมันก็จะหยุดของมันไปเองโดยอัตโนมัติพอใจหยุดคิดใจก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทานก็ดีหรืยความสุขที่เราได้จากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวอะไรก็ดี มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้เพราะเป็นความสุขที่อิ่มที่พอที่มันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราหิวโหวยที่จะทำให้เราอยากได้ไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขชั่วคราวพอได้เสพได้สัมผัสผ่านไปมันก็ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายทำให้เราหิวเราอยากจะเสพอีกแต่ความสุขที่ได้จาก ความสงบนี้มันจะอยู่กับเราไปนานออกจากสมาธิมาความสุขก็ยังอยู่ต่อไปแต่ก็มันก็จางหายไปได้เหมือนกันถ้าไม่อยากให้มันจ า, ห า, จางหายไปก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ผู้ที่อยู่ในระดับของการปฏิบัติสมาธินี้จึงเป็นที่จะต้องคอยนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆแทนที่จะไปทำภารกิจอย่างอื่นไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไร ก็เอาเวลามาให้กับการฝึกสมาธินั่งสมาธิเพราะเป็นความสุขที่มั่นคงกว่ายั่งยืนกว่าเพราะเป็นความสุขที่เราไม่ต้องมีอะไรมาให้กับเราเราไม่ต้องมีเงินมีทองเราก็มีความสุขได้เราไม่ต้องมีแฟนมีใครเราก็มีความสุขได้เพราะเป็นความสุขที่เราสามารถผลิตขึ้นมาในตัวของเราเองได้ดังนั้นเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่มี เิงนั้นสิ่งนี้ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเราก็จะยังสามารถมีความสุขได้อันนี้แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากทางตาหูจมูกนิ้นกายหรือจากการทำบุญทาทานต่างๆอันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราให้เข้าถึงกันให้ได้เข้าสู่ความสุขอันนี้ แล้วเวลาร่างกายเราตายไปนี่ใจของเราจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นพรหมโลกไปแบบไม่กลับเลยไปนิพพานเลยเราก็ต้องปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาคือเราต้องสอนใจให้รู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราอยากเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่จะทําให้เราทุกข์เพราะของที่ไม่เที่ยงมัน ก็จะต้องมีวันจากเราไปเพราะสิ่งที่ให้ความสุขเราจากเราไปเราก็จะเจอความทุกข์แทนให้เรามองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เราจะได้ตัดความอยากต่างๆภายในใจของเราได้ถ้าเราตัดความอยากภายในใจของเราได้ใจของเราก็จะไม่มีความต้องการที่จะไปมีอะไรอีกต่อไปก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกขกับการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด อันนี้เป็นความสุขระดับของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ที่จะต้องปฏิบัติต่อจากความสุขที่ได้จากความสงบจากการนั่งสมาธิพอจากสมาธิมาก็ต้องสอนใจให้รู้จักปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากได้อะไรทั้งสิ้นเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราบังคับให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้วันดีคืนดีมันจะต้องจากเราไป พอมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีอะไรอย่าไปอยากอะไรพอเราไม่มีอะไรไม่อยากอะไรแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์ใจของเราก็จะอิ่มจะพอไม่มีความต้องการจะมีอะไรก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้เป็นขั้นสูงสุดของการบํารุงรักษาจิตใจให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ โดยสรุปก็คือให้เรามาปฏิบัติ3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือทำบุญทำทานขั้นตอนที่สองก็คือรักษาศีลขั้นตอนที่สามก็มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วขั้นตอนที่สีหลังจากที่เราออกจากความสงบออกจากสมาธิมาแล้วเราก็มาสอนใจศึกษาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น ทุก็เป็นของไม่เที่ยงทุกว่าเพราะเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปไม่ได้ตลอดนั่นเองถ้าเรารู้ทันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกเราก็จะได้ไม่มีความอยากได้พอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างสุขในในพระนิพพานไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงนำามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราให้พวกเรานามาปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อที่จะได้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริว า, าปุราปาริปุเรงตทสาคลัง เอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปปัฏฐติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปเรน u ตสังกาปา ยันโทปะนะราโสยะามะนโชติอะราโสยะาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโววินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขิทิขายุโกภวะอภิวะธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโน จตารโหทมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีโทรศัพท์ก็ส่งมาทางเพจทาง YouTube ได้ วันนี้มีผู้ติ ด, ดตามเท่าไหร่กลับเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุศจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ526ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์279 YouTube ดรว a n n น l 112วิทยุออนไลน์8คลับ House 12นากุศ122รวม1 5 9ท่านค่ะ มีคำถามไหมหนูเดี๋ยวเอาไมค์ฟูมไปคุณจะได้ยินเสีย ง, งใกล้ๆปากเลยกลาบนรัสการค่ะพระอาจารย์โยมนั่งกรรมฐานนะเจ้าค่ะนั่งอยากจะทราบ ว, ว่าจะรู้ได้ไงคะว่าจิตใจเราสงบแต่โยมบริกรรมไปก็ยังยังเกิดจิตฟุ้งซ่านอยู่เจ้าค่ะเพราะว่าสติเรายังมีน้อยมาก เราต้องพยายามสร้างสติให้มากขึ้นก่อนมานั่งคือพยายามบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันเลยตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธไปก่อนอย่าปล่อยให้ใจคิดความคิดเป็นทําให้เราฟุ้งซ่านดังนั้นต้องคอยคอยหยุดมันก่อนที่เราจะมานั่งให้เราสามารถทําได้ในขณะที่เราดําเนินชีวิตของเราไปในเวลาเราทํางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารปาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรพวกนี้ไม่ต้องใช้ความคิดระพุโทโธพุโทโธไปคอยกำกับแล้วพอถ้าเรามีพุโทโธอยู่มากๆความคิดน้อยเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่คุงแล้วมันก็จะสงบได้จะรู้สึกว่าเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นถ้าดีไม่ดีก็จะรวมเป็นหนึ่งรวมล ง, งสงบเต็มที่ก็ได้ แต่เราต้องพุโทโธไม่หยุดนะต้องพยายามพุโทโธไปทั้งก่อนที่เรามานั่งและในขณะที่เรานั่งเจ้าค่ะและคําถามที่สองนะเจ้าค่ะบางบัณลังที่โยมค่ะได้ปฏิบัติขณะนั่งแล้วเกิดน้าตาไหลเจ้าค่ะเกิดสภาวะ ร, รมอะไรเจ้าค่ะ อ, อ๋อเป็นส่วนหนึ่งของของการนั่งเวลาเราเข้าสู่ความสงบแรกๆคือไม่ได้สงบเต็มที่ มันก็แค่เกิดความรู้สึกปิติเกิดความปราบปลื้นใจขึ้นมาก็เกิดความน้ําตาไหลได้ก็ไม่ต้องไปสนใจก็พุโทโธต่อไปพุโทโธต่อไปอะไรจะเกิดกันในขณะที่เรานั่งก็อย่าให้ความสําคัญอย่าลืมพุโทโธอย่าทิ้งพุโทโธให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปตลอดแล้ใจเราจะเข้าสู่ความว่างความสงบที่เป็นความสุขที่ดีที่สุด อันนั้นแหละคือเป้าหมายของเราคือจิตนิ่งสงบว่างเหมือนนอยอยู่ในอาวากาศกาบกาบพระเดชพระคุณค่ะนะถ้ายังไม่ถึงจุด น, นั้นก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปลุ้นอย่าไปเร็งว่าเมื่อไหร่จะถึงจุด น, นั้นเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้พุโทโธแล้วต้องไม่คิดอะไรเลยนะลองทำเดียวไม่ยากยอยู่ที่พุโทโธคําเดียวนี่เองนะใช่ คำถามจากคุณวาสนาจันทวันโนค่ะน้อมกราบขอโอกาสครับกระผมเพียปรปฏิบัติรักษาศีลแปด ทานเขาหนึ่งมือเป็นส่วนใหญ่บางวันงานหนักทก็ทานสองมือแต่จะไม่ทานเกินเที่ยงวันครับมีภรรยาหนึ่งลูกสองอายุสิบสามกับสิบหกภรรยาผมไม่น่าจะอ น, อ, นนอนุโมทนาบุญกับการปฏิบัติของผมเท่าไรครับกระผมใช้คำว่าถ้าอยู่ตรงนี้เราไม่สงบไปที่ไหนเราก็ไม่สงบแบบนี้พอใช้ได้ไหมครับขอน้อมกราบพระอาจารย์ชี้ทางพบความสงบให้ด้วยครับ ก็มันก็ไม่แน่เสมอไป <c oughs> บางทีถ้าเราได้ไปอยู่ที่มันไม่มีอะไรรบกวนใจเราเหมือนก็จะทำให้สงกได้ง่ายขึ้นมากขึ้นกว่าที่เราอยู่ใกล้กับสิ่งที่มันวุ่นวายดัยงโดยหลักสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่ยังไม่มีกำลังพอที่จะสู้กับสิ่งวุ่นวายต่างๆรอบตัวได้ก็ต้องแยกตัวไปอยู่ที่สงบ ก, ก่อนไป สร้างพลังสร้างสติให้ไม่มากขึ้นก่อนถ้ามีมากแล้วต่อไปอยู่กับสิ่งที่ไม่สงบก็ยังพอที่จะทำใจให้สงบได้แต่ก็ไม่สู้กับการที่อยู่ตามลาพังไม่ได้การที่จะทำให้จิตสงบอย่างเต็มที่แล้วง่ายแล้วก็สบายก็ต้องไปอยู่ที่มันว่างที่มันเงียบไม่มีอะไรมารบกวนใจค่ะ คำถามถัดไปจากคุณพรภวิกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติค่ะ ตอนนี้มุ่งเน้นเจริญสติในชีวิตประจำวันถือศีลห้านั่งสมาธิครั้งละ45นาทีวันละสองครั้งเห็นใจมันคิดแต่ไม่สนใจท่องพุโทโธไปเรื่อยๆทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องถ้าอยู่กับพุโทโธก็ถูกต้องอย่าไปให้ความสำคัญกับอะไรในขณะที่เรานั่งสมาธิให้สำคัญอยู่กับพุโทโธเพียอย่างเดียว จนกว่าจิตจะนิ่งสงบแล้วพุทโธก็หยุดการถึงจะไม่ต้องพุทโธคำถามถัดไปจากคุณสาลีกรานมสการเจ้าค่ะยุมขอเรียนถามว่าขณะที่หลับจิตและสติเราอยู่ที่ไหนเพราะเวลาใกล้จะตื่นงัวเงียอยู่จะมีอารมณ์ปรุงแต่งทั้งอดีตและอนาคตเข้ามาจับพุทโธไม่ทันเลยเจ้าค่ะคืออะไรและจะแก้อย่างไรดีเจ้าคะก็เป็นปกติเวลาที่เราหลับเราจะไม่มีสติ พอเราเตือนนี่สติยังอาจจะยังไม่มาเราก็ต้องปลุกสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเลยค่ะกับถามจากคำถามจากทางบ้านนะคะขอพระอาจารย์ให้ความรู้เรื่องจิตเมื่อตายแล้วจิตที่เกิดใหม่เป็นจิต ด, ดวงเดิมหรือดวงใหม่เจ้าคะ่ะและนิสัยเดิมจากอดีตชาติจะติดตัวมาหรือไม่คะเมื่อเกิดมาเป็นคนอีกครั้งเจ้าคะ่ะจิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปกับความเป็นความตายของร่างกาย ร่างกายตายไปก็จิตเหมือนเดิมเหมือนกับเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยคนใส่เสื้อผ้าก็ยังคนเดิมอยู่เราเปลี่ยนชุดขาวบ้างชุดเขียวบ้างชุดแดงบ้างแต่คนใส่ก็เป็นคนเดิมอยู่จิตก็เป็นเหมือนคนใส่เสื้อผ้านี่แหละร่างกายก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าของจิตเวลาจิตสูญเสียร่างกายนี้ไปก็เป็นเหมือนกับเป็นการไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนร่างกายอันใหม่ แต่คนที่เปลี่ยนร่างกายนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปเหมือนเดิมทุกอย่างเคยรักเคยชอบอะไรก็ยังเหมือนเดิมอยู่เคยเคยทำอะไรเคยติดอะไรมันก็ยังติดเหมือนเดิมอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนก็คือร่างกายเวลาที่ไม่มีร่างกายจิตก็เป็นจิตดวงเดิมตอนที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนช่วงที่เรานอนหลับนี่เวลานอนหลับจิตเราก็ยังอยู่จิตก็เรายัง ยังมี <c oughs> มีเรื่องราวต่างๆให้จิตได้สัมผัสรับรู้ก็คือความฝันต่างๆนี่ขณะที่เราตายไปนี่ก็ถือว่าจิตเราเข้าสู่แดนในรมิตเข้าสู่แดนฝันมันก็จะเอาบุญเอาบาปที่เราทําไว้นี่มาสร้างเรื่องราวต่างๆถ้าเป็นบุญก็จะสร้างเรื่องราวที่ดีมีความสุขที่เราเรียกว่าฝันดีถ้าเป็นบาปเราก็จะเอาเรื่องราวที่ไม่ดีมา มาสร้างขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจ mm. ก็เรียกว่าขันร้าย mm. นี่แหะช่วงที่เราตายเรื่องช่วงที่ร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็เพียงแต่นอนหลับไปอยู่ในสภาพของอยู่ในแดนอยู่ในโลกของความเนร밋เนร밋 ด, ด้วยบุญด้วยบาปที่เราทํากันไว้ mm. เราถึงมีสวรรค์มีนรกเนี mm. สวรรค์ก็คือบุญที่เรา ได้ทำไว้มันก็มาในระมิดเรื่องราวที่ดีให้เราได้เสพได้สัมผัสถ้าเราไปทำบาปไว้มันก็จะมีเรื่องไม่ดีมาให้เราได้เสพได้สัมผัสจนกว่าที่เราจะได้ร่างกายอันใหม่พอเราได้ร่างกายใหม่แล้วก็เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่นอนหลับยาวแต่เปลี่ยนร่างกายร่างกายเก่าที่ตายไปก็เขาก็ไปเผาหมดแนละ้วเราก็ได้ร่างกายใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ของเราแล้วเราก็มาเริ่มต้นชีวิตของเราต่อ เราชอบอะไรเราเกียรอะไรเราก็ทำเหมือนเดิมต่อไปมีิศสายแบบไหนก็เป็นแบบนั้นต่อไปไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะขับถามจากทาง y o u t u b e ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์เมตากับทานบรมีต่างกันอย่างไรคะคือทานแต่ว่าการให้เมตาก็คือความเป็นมิตรกับทุกคนเราไม่ถือใครเป็นศัตรูนี่นเรียกว่าเรามีเมตตา ถึงแม้เขาจะร้ายกับเราถึงแม้เขาจะเกลียดชังเราแต่เราไม่ไปเกลียดเขาเรายังถือว่าเป็นมตรเหมือนกับเหมือนกับลูกของเราอย่างเงี้ยเราลักลูกของเราเรามีความเมตตากับลูกของเราถึงแม้ว่าลูก้เขาก็อาจจะเกลียดเราบางเวลาที่เราไปขัดใจเขาแต่เราก็ไม่ไปเกลียดเขาเราก็ยังเมตตาเขาอยู่นี่เมตตาคือความเป็นมิตรความมีมาตรีจิตเมตตาก็นาตรีจิตนี่เองมองทุกคนว่าเป็นมิตรไม่เป็นศัตรู ส่วนส่วนอนัญทานน่ทานาบารมีค่ะทานก็คือการให้การเสียสละซึ่งบางทีมันก็มากับเมตตาพอเรามีความเมตตาเราก็จะเสียสละง่ายถ้าเราเมตตาใครเราก็ยินดีที่จะให้เขามีความสุขเรามีอะไรเราก็ให้เขาไปเราก็มีเงินมีทองเราก็ให้เขาไป่ัน ก, ก็เรียกว่าเป็นการทำทานด้วยความเมตตา คำถามจาก y o u t u ด็อตอร์วีขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกควรวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกหรือกังวลเวลาที่ลูกอยากจะอยู่แบบมักน้อยสันโดษแต่ก็จำเป็นต้องดิ้นดนหาเงินเพราะเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่ยังลำบากอยู่อย่างนี้ก็ไม่สันโดษนะถ้าสันโดษก็หาพอมีพอกิน ต, ตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ดูแลได้เท่าไหร่ก็ดูแลแต่อย่าไปตั้งเป้าว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ทำไปตามกำลังของเราได้มากได้น้อยก็เอามาทำประโยชน์เท่าที่เราทำได้ค่ะคาถามจากคุณสุภาวีกราบเรียนพระอาจารย์อยากฝึกสมาธิต้องทำอย่างไรเป็นอันดับแรกคะก็ต้องฝึกสติก่อนต้องมีสติอยู่เรื่อยๆต้องมีพุโทโธพุธโทโธหัดฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราควรจะทําทก็คือพุโทโธเลยต้องพุโทโธไปแล้วเวลาเราขยับลุกขึ้นจากเตียงไปทําอะไรต่อเราก็พุโทโธไปเรื่อยๆอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเราก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านทําอะไรก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วพอเวลาเรามีนั่งเวลามีเวลาว่างก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตา แล้วก็ว่าพุโทโธต่อไปไม่ต้องดูลมถ้าใช้พุโทโธนี้ไม่ต้องดูลมก็ได้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไปหรือถ้าเราอยากจะสลับจากพุโทโธมาดูลมก็ดูลมอย่างเดียวก็ได้ดูลมที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับลมไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้ให้ดูลมให้เฝ้าลมเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นเท่านั้นเองถ้าเรา อยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธได้ใจเราก็จะสงบแล้วก็จะเกิดสมาธิเกิดความสุขขึ้นมาค่ะคำถามจากดร์วชาลค่ะเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจบางครั้งจะรู้สึกว่าเวลาจิตจดจ่อกับลมหายใจจะปวดตึงขมับหายใจติดติดขัดขัดจะมีแนวทางแก้ไขปรับอย่างไรเจ้าคะอาจจะเกงเงินงไปก็ได้ให้ดูแบบสบายสบายนั่งดูเฉยๆมันก็ดูทรทานอย่างนี้ เราย่าไปเกินกับเรื่องที่เราดูบางทีเราไปเกินกับเรื่องที่เราดูใจเราก็เครียดขึ้นมาได้ดูเฉยๆให้ดูเฉยๆดูว่าตอนนี้ลมเร า, เรากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกเท่ น, นั้นเองคําถามจากคุณยูวดีค่ะกับเรียนพระอาจารย์ค่ะถ้าข้าพเจ้ามีวิบากกรรมคนรอบข้างเกลียดแต่อยากจะสร้างบุญโดยการเชิญชวนผู้คนทําบุญจะทําได้อย่างไรบ้างคะอ่า เรื่องการเชื้อชิญนี่มันมันสิ่งที่เรายังไม่ควรจะทํำเราเชื้อเชิญตัวเราเองก่อนดีกว่าชวนตัวเราเองไปทําบุญก่อนเพราะมันง่ายกว่าไปชวนคนอื่นเพราะคนอื่นนี่บางทีเขาบางทีเขาก็อยากจะทําบางทีเขาก็ไม่อยากจะทํานั้นเราชวนตัวเราเองไปทําก่อนทําตัวเราเป็นตัวอย่างแล้วต่อไปคนเขาเห็นเราไปทำเขาอาจจะอยากจะไปกับเราก็ได้เรื่องการไปดึงคนมาทําบุญนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเรา หน้าที่ของเรามีดึงตัวเราเองให้ไปทําบุญส่วนคนอื่นเขาจะทํากับเราหรือไม่ทํากับเรานั้นเป็นเรื่องของเขาคําถามจากคุณมนตรีค่ะการจเจริญสติด้วยพุทโธเมื่อทําให้มากเต็มที่เต็มฐานแล้วจะเป็นสติอัตโนมัติได้ไหมครับหมายถึงเมื่อคิดอะไรสติก็จะมาเองพร้อ ม, มรึกลู้ติดแนบกับใจผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติ มันสามารถจะสั่งให้ใจให้หยุดคิดได้พอใจมันเริ่มคิดเราก็บอกหยุดคิดมันก็จะหยุดคิดได้ถ้าเรามีสติตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะคมีใครอยากจะถามอะไรไห ม, มเชิญถามได้เดี๋ยวเอาไมโครโฟนมาทางนี้หน่อย อ, อืม อยากจะสอบถามว่าก่อนนอนนะคะจะเตรียมตัวก่อนใจยังไงคือนึกถึงถึงอะไรหยุดคิดหยุดคิดไม่ใ่พุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเราจะได้หลับสบายถ้าโยมนึกถึงกรรมดีที่บุญกุศลที่เราได้ไปวุ่นวายใจกว่าอ๋อให้นึกถึงพุทโธเท่านั้นเจ้าค่ะกาพะเดชพระคุณเจ้าค่ะนึกไปแล้วเดี๋ยวฟุ้งซ่านขึ้นมา ไม่อยากไปนึถึงอะไรให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปล้วก็จะหลับง่ายแล้วก็จะหลับสบายฝันเราจะไม่ฝันลายจะฝันดีหรือไม่ฝันเลยลเล ย, ยังไม่มีมาเลยยังไม่มีมาข่าถ้าม่มีมาก็เอแค่นี้ก่อนแล้วนนแล้วกันเนะก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจ พ, พิจารณาไปปฏิบัติ